ธรรมวัดเย็นบทนำธรรมวัดเย็นโยโซภะควารังสัมมาสัมพุทโธพ ร, ระผูมีพระภาคเจ้านาั้นพระองค์ได เป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตราสรรุชอบได้โดยพระองค์เองสวักขาตเยนาภควตาตธรรมว์พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ใด้ตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยะสัพพะวะโตสาวกสังโฆพระสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ปฏิบัติดีแล um ้ว ตามอย่างพระกวางตางสัตถมัง ส, สงัสังฆังอิเมอิสการะหิยัตารังอะโรปิเตหิปิภูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น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 สาธุโนพันเปพระขวาสุจิราปรินิพุตโตปีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม่ปรินิพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย อาทิมาจนาตานุกรรมประมานสาทรงมีพระอรไทยอนุครอแก่พวกข้าพเจ้าอันเป็นชนรุ่นลางอิเมสกาเรทุกตาปนนาการผู้เตปฏิคันหาโตขอพระผู้มีพระภาคเจ้า จงรับเครื่องศักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อมหกังทิขรตังหิตายาสุขายาเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทิน รหังสัมมาสัมพุโทโธพระขวานระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธทางพระขวานตังอภิวาเทมี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 อัมมังนมัสสามมิข้าพระเจ้านัมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสวาวกสังโค ร, ระสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว สร้างขังนมารมีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสง